แบกบหลอกเขาจินอยู่ตลอดเวลาจะจิตของตนเคยเด็กพิจารณาเคยทำละอย่างชั่วหรือไม่หากนักบวชทุกคนสรวตาพิจารนาแนสอนตัวของตัวอยู่สมเสมอจะไม่ลืมตัวจิงที่ชั่วที่เราไม่ตาถนาเราจะต้องทำละออกไป พอบวชไม่ได้บวชมาสะสมกิเลสบวเชเสื่อชำระกิเลสกิเลสคือสิ่งที่เศร้าหมองกิเลสคือสิ่งที่ก่อควาจิตใจให้เราร้นเราจะต้องชำระธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีคุณค่าสาระสูงนักบวชถ้าหาทปฏิบัตริรักษากายบา ย, ายใจองทนขับไล่สัญญาอารมณ์ ที่ชั่วเสียต่างๆออกไปมีความเทียนมีสติปัญญาอยู่ในใจตลอดเวลานักบวชอย่างนั้นจะประสบพบเห็นความเยือกเย็นของใจจะน่าสาหน่าวาน่าสัตระบูชาจะไม่เป็นนักบวชที่หลอกหลอน่าโลกเขาชินเป็นนักบวชที่ดี เป็นแบบทิมที่ดีปวกบวชมาใหมก็จะดูผู้ใหญ่ที่บวชมาก่อนท่านประเพฤ่อปฏิบัติอย่างไรหรือเพียงสอนแต่ปากแต่ตัวเองไม่เคยํำหนดไม่เคยที่นี้ที่ใจนะไม่เคยทำาักสะสารทำเทียนอะไรไม่เคยมีให่ลูกสินลูกหาได้เห็นได้ดูเพียงแต่สอนแต่ปากแต่ตัวทำชั่ว เขาจังเห็นได้เต็มตาที่เจรณาแล้วก็เห็นความผัวในใจของทีาเป่นแบบนั้นจะสอนเท่าไร่มันก็ไม่เกิดความเลื่อมใสในเกิดผลเกิดประโยชน์ให้เคยพูดว่าคนที่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจเป็นโลบสาต้น ขาจะประกาศว่ายาเขาดีขนาดไหนแต่ถ้าปากของเขายังเต็มตัวอยู่แล้วไปขายที่ไหนก็ไปเถอะไม่มีใครเขาใจซื้อให้เพราะเหตุใดเพราะเขาไม่รักษาตัวของเขายาเขาดีสจะต้องรักษาปากในตัวของเขาหหายไปหมดพระพุทธเจ้ า, าโลกโกรธหลงเคยมีมาก่อนท่านมาสอนโลกทล่านละได้จากกายจากวายจากใจทั้งท่าน เหนื่อยันกับคนทิ่เป็นโรคปากมาก่อนแล้วรักษาให้ปากข้องตัวนั้นดีะยาฉนานนี้รักษาปากหายดีนะใครที่เป็นปากอยู่ในตัวแล้วนำไปรักษาต้องได้รับความสุขความสบายหายขาดคนอื่นเ่ากวเคยเห็นกว่าคนนั้นเคยมีปากอยู่แต่ก่อนแต่พอเขากินยาทานยาทายาอันนี้ มันหายดีแล้วตาเขาเห็นเขาก็เชื่อเพราะมันมีตาแต่ก่อนเจอแงตาอยู่ในตัวของเขาคนที่เก่งตาก่วสนใจ ย, ยากได้ดยาชนิดนั้นมารักษาอยากจะให้หายเพราะตา ม, มีอยู่ในคนใดแล้วคนนั้นก็เข้าสังคมยากและตัวเองก็ไม่ปราถนา เขาจึงอยากรักษานี่เรานักบวชกวทําทนองเดียวกันยาให้ได้แต่ตำลับตำลาสอนคนอื่นสาวสาวแต่จิตใจท้องตัวชั่วเสียขนาดไหนไม่เคยตรวจตาที่เจรนาเลยนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนแต่คนอื่นไม่สอนกายสอนใจท้องคนคนฉ่นนั้นจึงเป็นหน้าอากอาคนฉ่นนั้นจึงไม่เป็นหน้าราดถนานา ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนคนอื่นแต่ตัวเองสอนไม่ได้เขาจึงไม่เชื่อไม่เดือมใสเราอยากให้เป็นอย่างนั้นรีบรักษาจายวาจาใจท่องตนวิเลียปัญหาที่เคยมีอยู่ในจิตในใจส่วนใดรีบทับไล่ออกไปธรรมะส่วนใดที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นพยายามบำเพ็ญ ใครเกิดให้มีในตนคนที่จะทําบําเพ็ญสิ่งนี้จะไม่เป็นกาสศของศาสนาจะเป็นตัวของตัวเองถึงไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนให้จิตใจของเราเห็นจิตใจของเราเย็นจิตใจของเราสงบจิตใจของเราสุขจิตใจของเรารู้เบิกบาน อยู่แต่ฐานที่ใดก็มีครูมีอาจารย์มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แนะสอนอยู่ตลอดเวลวันเพราะเรามีธรรมถึงครูบาอาจารย์จะรวงลับดับหายไปอยู่แต่เราคนเดียวก็อยู่ได้สุขสบายเพราะไม่มีเลือจัลหามาวุ่นวายรบกวนถี่เราไม่เป็นแบบนั้นมันจึงยุ่งลำบากไปอยู่ป่าก่ตอตำนิสา อันนั้นไม่สะดวกอันนี้ไม่สบายใจของตัวไม่สะดวกไม่สบายไม่กำหนดไม่รักษาไม่จําจัดออกไปแต่ไปต้ำนิเรื่องอืน่นคนอืน่นนั่นนันไปจากการสาธิตปฏิบัติใครดูกายดูจิตของตัวการปฏิบัติดูอยู่ภายใ น, ใน อะไรมันชั่วมันเสียของคนอื่นเป็นหน้าที่ของเขาที่จะได้รับทุกโทษแต่ชั่วเสียอยู่ในตัวของเราเราเองเป็นผู้รับทุกโทษเราจะต้องกําหนดจะต้องขับไล่คนอื่นเขาชั่วเขาเสียเป็นหน้าที่ของเขาเขาดีเป็นหน้าที่ของเขาแต่เราไม่ดีแล้วจะไปอยู่ในสถานที่ใดมันก็ไม่ดีให้ จึงควรขับไล่คิดถิมานะกิเลสตัณหาในใจของตัวออกไปอย่าให้เป็นนักบวชตาสาเกาะต้ตนไม้อาศัยต้นไม้กินต้นไม้ต้นไม้ตายตาสาคืออยู่ไม่ได้ใต้ได้เหยียดฉันทานองนั้นเป็นนักบวชตาสาเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองมันที่นี้พิจารณามันรักษาเสียนทุกข้อ ต้องเอาใจใส่ตั้งใจปฏิบัติเพราะศีลเป็นพื้นสำคัญที่จะทำจิตใจของนักบวชทุกท่านให้สงบเย็นถ้าไม่มีศีลศีลขาดศีลด่างส่้อยเสียหายคนทั้งหลายเขากอดูหมิ่นมินทาศีลจริงจำเป็นที่จะต้องรักษาให้ตลอดปลอดภัย สมาธิความตั้งมั่นของใจรีดกำหนดรีบรักษาให้เห็นให้เจนในกายในใจท้องตัวอย่าไปหลงจำหรับตำลาท่านว่าอย่างนั้นท่ว่าอย่างนี้เมื่อไรเราทำจะเห็นจะเจนไปคิดอยากเห็นอยากเจนอยู่แต่ในตัวตาที่เจนมาในจิตในใจท้องตัวถ้่จิตมันไปยึดไปถืออยู่ ทางนอกๆมันก็ไม่สงบให้ไม่เช่นไม่เห็นให้สร้างใจกาหนดสร้างใจรักษาจะกาหนดลมหายใจกยดีกาหนดบทพูดโทรกยดีศรีสตะอุปจาระอัปปนาจึงเรียวกว่าสมาธิในทางศาสนามันเป็นอย่างไรจะเข้าใจในตัวเองใน่ต้องไปดูตำราว่าอันนี้มันถูกไหมย ในทางสั้นไหนไปฏิบัติมาเดียวนี้อย่าไปงมไปงมงข้างนอกให้ดูอยู่ภายในกําหนดอยู่ภายในมันเป็นอย่างไรจะทราบความถูกความสบายนั่นมันตาําราขื้ท้องมันแต่มันเกิดขึ้นเช่นขึ้นมันในทันข่าซุกข่าอยู่กับตำหรับตาราให้ดูภายในมันเกิดขึ้นอย่างไรเห็น มันเย็นอย่างไรรู้เพราะเราเองเป็นผูท้ทําเราจะไม่เห็นในใจอย่างไรตั่งใจปฏิบัติไปเถอะเรื่องศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เป็นโมฆะสําหรับผู้ปฏิบัติแต่เป็นโมฆะสําหรับคนจิตจิตสําหรับตำราเป็นโมฆะสําหรับคนจิตเนี่ยเอาใจใส่ในขอวัดปฏิบัติ ในต่างหน้าต่างชาตสังนัตจิตใจของตัวศาสนาผ่านมาสอง0ันหารอยกว่าปีคนทั่วไปไม่ดีคิดคำนึงคำนวณว่ามักผลมีในว่าต่างแเก้าวว่านักบวชบางชานบบางคนก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นเขาไม่ปฏิบัติถ้าเขาเห็นเขาเชื่แล้ว เขาจะไม่มีทางสงสัยจะเชื่อมั่นว่าทมเป็นอาัศาริโกจริงผู้ปฏิบัติการใดสมัยใดทำลายจิตทำลายใจทองตัวให้พ้นจากชั่วรู้เห็นเยือกเย็นในตัวก็จะทราบว่าศีนสมาธิปัญญายังคงเสถนคงวาหรือไม่นี่ไปตำห น, น, น, นิอย่างนั้นไปตำหนิอย่างนี้ อยู่ในตากว่าต้จะมีตาอยู่ในเมืองกว่าตรจะมีเมืองเราวุ่นวายถัดของเสียงบรบกวนผู้คนเฉื่อยชานในไดเดินจงกรมภาวนาสะดวกสบายอยู่ในตาน้ําไฟอะไรก็ไม่สะดวกมันคิดไปทุกอย่างนี่คือเรื่องของใจมันเป็นอย่างนั้นเราต้องหักห้ามต่างหน้าต่างตาพิจารณาสําราญจิตของตัว มันคิดไปในทางนอกอย่างนั้นขัดข้ า, ามเอาไว้พระพุทธเจ้ามีน้ำมีไฟที่ไหนท่านไปปฏิบัติกายใจของท่านท่านทำไมซึงไม่ขัดข้องเราทำไมแบกยี่เหลียดตัณหาแบกมารนาะทิฐิมาแบบนี้จะต่องตรวจตาที่ารนาในจิตในใจของตัวพระพุทธเจ้าอยู่ในโลก โลกมันก็มีก็เป็นอยู่อย่างนี้กัางวันก็มีกั้งคืนก็มีเดือนปีก็มีคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่คนสุกคนสบายคนป่วยคนตายมันมีดาดเดือนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าทำไมไหนขัดขอ้องเราก่อพื่อปฏิบัติก่อทานองเดียวกันเมืมีอะไรที่แตกแตกต่างกันวันคืนอย่างเดียวกันปีเดือนอย่างเดียวกันทําไมเรามาขัดข้อง มันขัดข้องจัดอะไรตัวตาท่เจาราแก้ไขดูใจของตัวนี่คือนะับปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปต้รวมระวังใจของตัวอยู่ตลอดเวลาตามละเอียดของจิตของใจจะละเอียดไปสิ่งที่ไหนเคยเข้าใจก็จะเข้าใจขึ้นเกิดปัญญาสามารถแก้ไข ใจที่คลองจิตคิดปรุงต่างๆหมดไปตกไปจนสิ้นวามสงสัยในตัวถึงขาดฉันแต่ยังเหลืออยู่ก็ไม่เป็นชิดเป็นไทยเพราะจิตใจบริสุทธิ์นี่คือการปฏิบัติเสื่ออาจเสด็จทำสิพระพุทธเจ้าสอนในปฏิบัติเสด็จลวงโลกรลอกโลกเขาจิงปฏิบัติ แก่ความปนทุกข์ในจิตในใจจริงจังเช็นอย่างนั้นไม่ได้เอาชั่วเอาดีจากคนอื่นเอาชั่วเอาดีจากตัวของตัวเองมุ่งมั่นจำรักสาสมสิ่งที่เป็นทิพย์เป็นไทยรับไล่ออกไปหหางไกลจากกายไลจายใจของตัวจิงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไรก็รีบบำเพ็ญ ในเห็นใหรู้ในจิตในใจของตัวเนี่ยนักบวชสมัยก่อนท่านจะอยู่ในปา่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ลำบากลำคาเหมือนกันกับพวกเราสมัยปัจจุบันแต่ท่านเชื่อว่าป่านั้นเป็นมหาวิทยาลัยเป็นที่ศึกษาธรรมได้สะดวกสบายกว่าที่อื่นคือความสงบภายนอกมี ถึงจะลำบากยากเย็นด้วยปัจจัยทั้งสี่ก็ช่างมันขอให้มีโอกาสมีเวลาภาวนาละทีเลใน ม, มีบุคคลมาเกี่ยวข้องไม่ได้เสียวเวลาเพราะการเพองะงานเรื่องอื่นนี่จะตั้งหน้าตั้งตาที่จะนาแจกไขตายใจของตัวอยู่ตลอดเวลานะั้นมันมีโอกาสเวลา ที่จะพ้นทุกข์ได้ท่านจิงสและเสรินวิเวกว่าเต็มที่หยุดที่ ด, ด, ดีทำให้จิตใจภายในวิเวศไปได้กายวิเวหกวเวหมายถึงจิ่สงบจิตตาวิเวศหมายถึงจิตที่ห่างไปจากอารมณ์ คือเป็นข่าศิสัตรูได้แก่นิวร์ทั้งห้าอุปทีหมายถึงการชำระจิตใจท้องตัวให้หมดไป จ, จากสังยอดเบื้องต่ำเบื้องบนนี่คือเรื่วงฤกษีพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเห็นสาวกผ่านเคยเป็นเคยเห็นเคยรู้มาผ่านจึงมาสอนพวกเราให้ยินดีให้เจีมใจให้เหลื่อมใส ในการดรี้ีตั้งหน้าตั้งตาภาวนาละชีเลอย่าให้เป็นตังเจว่า อ, อยู่ในตาเราจิตใจไม่เป็นตาเป็นดวงให้จิตใจไม่อยู่ด้วยความสงบของอัดของทำยิงวุ่นไปทุกที่ทุกทางทุกผลทุกแห่ช่งช่างขี่ เพศก็เป็นนักบวชสถานที่ก่สงบนี่คือการปะปล่อยการไม่รักษาไม่สังวรจิตใจท้องตัวถึงจะอยู่ในที่สงบขนาดไหนแต่ใจมันก็ยั ง, ลงหลงไหลยังคิดปรุงไปทางนอกถ้าหากมีสติมีปัญญาแนสอนตัวข้องตัวอยู่ส ม, ม่ำเสมอแล้วที่วิ่ง วิเวททางกายเราก็ได้แล้ววิเวททางใจเราก็จะรู้ใจเห็นจะไม่มีอะไรขัดข้องเพราะวิเวทปัญหานไหนเกิดขึ้นมาเราจะส่องคำละให้ตกออกไปปัญญาถามันรู้มันเห็นขอใจชัดเจนในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสิ่งทั่ไ ว, ททวไปมันเห็นทั่ว มันไม่มีทางสงสัยนี่มันไมเห็นไม่เช่นอย่างนั้นอันนั้นก่อสงสัยอันนี้ก่อสงสัยจิตใจเลยเนี่ยอยู่ในตัวเลยไปตำหนิคนนั้นคนนี้ไปตำหนิสถานที่ตำหนิดินฟ้าอากาเราจะไม่เกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เราตายไปก็นก็เป็นอยู่อย่างนี้เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่นักบวชนักภาวนา เขาก็คิดได้ปรุงได้เราทำไมไม่อับไม่อายทำไมไปคิดไปปรุงไปคิดไปคล้องในเรื่องนอกๆ อ, อย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชนักชาระกิเลสตัญหาจะต้องพิจรารณาําระใจทองตัวมันขัดข้องที่ไหนแก้ไขที่นั้นเพื่อให้ใจทอ ง, งตัวเยือกเย็นใจท่องตัวสงบใจเมื่อมันส ง, งบได้ มันเย็นมันสบายสิ่งทั่วไปนันก็เย็นไปด้วยสบายไปด้วยเขาวุ่นวายเดือดร้อนก็เป็นเรื่องของเขาเราไมาเ่เดือดร้อนวุ่นวายสงบสบายมันจึงไม่มีอะไรผัดผ่องเขาพูทใจเจ้าอยู่ในโลกด้วยวการสำราาสารกิเหลือสรรหาตกไปจากพระไทยของท่านท่านจึงชั่งลายเซิร์นวิเศษชังลเสรินความสงบ เราไม่มีความสงบไปอยู่สถานที่ใดมันก็ไม่สงบพยายามสอนใจทองตัวพยายามกำหน ด, หดจิตใจภายในให้อยู่อย่าไปวุ่นวายขัดข้องกับเรื่องภายอกนี่คือนักบวชื่อจะเป็นตัวของตัวนักบวชนักปฏิบัติ ท้าไม่มีสิ่งที่ชั่วที่เสียจะไปปฏิบัติทาําไมก็มันมีชั่วมีเสียอยู่แล้วเราจึงจะปฏิบัติเคลำกาจัดสิ่งเหล่านี้ให้มันดีมันสบายมันเยือกเย็นขึ้นกานปรปฏิบัติทุกคนต่างหน้าต่าง ต, า, งตาเสียสลรการ ง, งานบ้านช่องอิดามารดาอยากสีเนาะ ยินดีเลี่ยมใส่ว่าเรานักบวชเรานักปฏิบัติอย่าให้เสียสื่อของเราผูกมาประพฤติปฏิบัติในเอาฐานอะไรให้ไปสถานที่ใดบนอย่าทุกข์ไวอยาว่ากัวลำบากลำคาญไม่มีธรรมะอะไรที่จะสอนใจของตัวเมื่อไม่มีธรรมะสอนใจของตัวจะไปสอนคนอื่นให้เหย็นเย็นได้มันไม่มีทางเราต้องอบรม ตัวของเราก่อนฝึกสอนตัวของเราก่อนพระพุทธเจ้าสาวกท่านอบรมศึกษาปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่ได้ขายก่อนซื้อคือฐานสํารักของท่านหมดแล้วจึงไปสอนคนอื่นนี่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นท่านท่านที่ไหนมีอะไรกดยืมคนอื่นมาใช้เข่ า, าของคนอื่นอยู่อย่างให้เป็นแบบนั้นการประบัติปฏิบัติ อาทามนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านที่เป็นนักบวชจะต้องประพฤติปฏิบัติจะต้องรักษาเคารพในศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนต่างหน้าต่างตาขาบเทียนพยายามชำระกายวายจาใจของตัวที่ชั่วเสียอยู่สม่ำเสมอจิตใจที่เคยเหยากเยน็นเป็นสุขเราจะต้อง รักษาเอาไว้ไม่ให้เสียาหายหายไปให้จิตใจอยู่ในกรอบของอดของธรรมผู้ทีมุ่งมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติฤฤฤอย่างนั้นคนนั้นแหละจะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของตนเองและของโลกธางถึงพระพุทธถึงพระธรรมพระสง ในจิตในใจของตัวพระพุทธเจ้าไดละชั่วบำเพ็ญดีถึงที่สุดที่มุติทานอย่างไรใจของเราได้รู้ได้เห็นได้ดีได้เด่นอย่างนั้นทำที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีมากมายขนาดไหนจุดหมายปายทางเป็นอย่างไรเราทราบเรารักษาได้ จิตองเราทรงไว้ซึ่งธรรมคือพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนไม่เคยขาดตกบกพร่องอะไรในใจของตัวตายวาจาประพุะทธปฏิบัติรักษาเดียว่าว่งฆะคือสองมีอยู่ในตัวของตัวข้างสามลักนนะคือพุทธพระผู้รู้ก็มีธรรมะผู้ทรงไว้ซึ่งธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีสังฆะผู้ปฏิบัติรักษาอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็มีเลยถึงสาระทางกายทางวาจาทางใจเมื่อถึงสาระได้มีที่ถึงได้ก็เย็นก็สบายจะตายหรืออยู่ก็ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษให้ฉะนั้นขอทุกท่านโยงนัง่ง <c oughs> ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาละกิเล อย่าเป็นนักบวชแต่ เ, เทศแต่ก า, า, ายให้เป็นนักบวชถึงเรื่องข้องใจเ่าทุกคนต่างหน้าต่างตารักษาทำดีในต่างใจประเพื่อปฏิบัติเราทุกคนก็จะเข้าถึงสิ่งความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเฉินบาทพอสองควรสีงเวลาพอยุติเรื่งส่นี้